นัลละกะลาปีสูตรว่าด้วยกัมไมอ้ อ, อสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะพักอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้นถึงเวลาเย็นท่านพระมหาโกติตะออกจากที่หลีกร้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ถามดังนี้ว่า ท่านพระสาวรีบุตรชราและมรณะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยหรือว่าชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็ไม่ใช่และคนอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่หรือท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าไม่ใช่ทั้งสี่ข้อนั้น แต่เพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีและโดยในยะเดียวกันท่านพระมหากุติตะถามเช่นเดียวกับชราและมรณะคือถามถึงชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือผู้อื่นกระทำทั้งตนและผู้อื่นกระทาให หรือทั้งตนและผู้อื่นก็ไม่ใช่ท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าไม่ใช่ทั้งสี่ข้อนั้นและแต่ละสิ่งนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งต่อๆมาท่านพระมหาโกติตัดถามต่อไปว่านามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองคนอื่นกระทำให้หรือเป็นทั้งตนและคนอื่นกระทาให้หรือว่าไม่ใช่ทั้งตนและผู้อื่นกระทำให้ ตอบว่าไม่ใช่ทั้งสี่ข้อนั้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและโดยในยาะเดียวกันเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำรรพึงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยกันละกันอุปมาณ่ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการเชนี้เปรียบเหมือนไม้อ้อทั้งสองกามนั้นถ้าดึงออกเสียกรมหนึ่ง อีกกรรมหนึ่งก็ล้มถ้าดึงออกอีกกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งก็ล้มอุปมาณีฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนณจึงดับผัสสะจึงดับเป็นต้นนั้น ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ท่านผู้มีอายุถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกว่าภิกษุธรรมกะถึกถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะ ควรเรียกว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะไม่ถือมั่นชาและมรณะควรเรียกว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันและโดยในยะเดียวกันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติเพื่อดับภพบ เพื่อดับอุปาทานเพื่อดับตัณหาดับเวทนาดับผัสสะดับสลายตนณาดับนามรูปดับวิญญาณและดับสังขารทั้งหลายถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรเรียกว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด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 ว่าด้วยการสนทนาธรรมณกรุงโกสัมพีสมัยหนึ่งท่านพระมุสิละท่านพระปวิทธะท่านพระนารทัและท่านพระอานนท์พักอยู่นโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระปวิทธะได้ถามท่านพระมุสิละว่าท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อเว้นจากความชอบใจเว้นจากการฟังตามกันมาเว้นจากการคิดรองตามแนวเหตุผลเว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วท่านมูสิละมีความรู้เฉพาะตนว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรือท่านพระมูสิละได้ตอบว่าท่านปวิธะเว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจเป็นต้นนั้นผมรู้เห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีและโดยในยะเดียวกันเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี และเพราะสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งหนึ่งเรียงตามลำดับดังนี้นะครับเพราะพัรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตัณเป็นปัจจัยพัรษะจึงมีเพราะนามรูปสลายตนณาจึงมีเพราะวิญญาณนามรูปจึงมีเพราะสังขารวิญญาณจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับท่านพระปวิธาถามต่อว่าเว้นจากความเชื่อความชอบใจเป็นต้นนั้นท่านมุสิลามีความรู้เฉพาะตนว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานอย่างนั้นหรือ ตอบว่าท่านปวิทธาเว้นจากความเชื่อความชอบใจเป็นต้นนั้นผมรู้เห็นว่าความดับแห่งพบเป็นนิพพานถ้าเช่นนั้นท่านมูสิละก็เป็นพระอระหันตขีนาศลสิบเมื่อท่านพระประวิทธากล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมูสิละได้นิ่งเสียลำดับนั้นท่านพระนาระ ได้กล่าวกับท่านพระประวิท t ว่าดีแล้วท่านปวิท t ผมพึ่งได้ปัญหานี้ท่านจงถามปัญหานี้เถิดผมจะตอบปัญหานี้แก่ท่านลําดับนั้นท่านพระประวิท t จึงได้ถามปัญหาเช่นเดียวกับที่ถามท่านมุสิละเนื้อความตรงกันทุกข้อและท่านพระนาระก็ได้ตอบเช่นเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันทุกข้อ จนมาถึงคำถามข้อสุดท้ายดังนี้ถามว่าท่านนาระทะเว้นจากความเชื่อความชอบใจท่านนาระทะมีความรู้เฉพาะตนว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานหรือตอบว่าท่านปวิทธะเว้นจากความเชื่อความชอบใจเป็นต้นนั้นผมรู้เห็นว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพาน ถ้าเช่นนั้นท่านนารทะก็เป็นพระอรหรันตขีณาศพละสิท่านผู้มีอายุข้อว่าความดับแห่งภพเป็นนิพพานผมเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ผมไม่ใช่พระอรหรันตขีณาศพเปรียบเหมือนบ่อน้ำในทางกัน d าลที่บ่อนั้นไม่มีเชือกไม่มีคันโพง ท่านใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอกอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำเดินมาเขามองดูบ่อน้ำนั้นก็รู้ว่ามีน้ำเต็มแต่สัมผัสด้วยกายไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นข้อว่าความดับแห่งพบเป็นนิพพานผมก็เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แต่ผมไม่ใช่พระอาราหาันตะขีนาศเมื่อท่านพระนารทธกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามพระประวิถษว่าท่านปวิถชอบพูดอย่างนี้ท่านพูดอะไรกับท่านพระนารทบ้างท่านอานนท์ผมชอบพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดอะไรกับท่านพระนารทธนอกจากกัลยาณธรรมนอกจากกุศ ล, ลธรรม อุปกยันติสูตรว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวรถีได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมาหาสมุทนน้ำขึ้นหมายถึงน้ำเต็มเปี่ยมก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ขึ้นตามแม่น้ำใหญ่เมื่อขึ้น ก็ทําให้แม่น้ําน้อยขึ้นตามแม่น้ําน้อยเมื่อขึ้นก็ทําให้บึงใหญ่ขึ้นตามบึงใหญ่เมื่อขึ้นก็ทําให้บึงน้อยขึ้นตามฉันใดอวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้วิญญาณเกิดขึ้นตามวิญญาณเมื่อเกิดขึ้น ก็ทำให้นามรูปเกิดขึ้นตามนามรูปเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สลายตนะเกิดขึ้นตามสลายตนะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะเกิดขึ้นตามผัสสะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาเกิดขึ้นตามเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาเกิดขึ้นตามตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ก็ทําให้อุปาทานเกิดขึ้นตามอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้ภพเกิดขึ้นตามภพเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้ชาติเกิดขึ้นตามชาติเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้ชราและมรณะเกิดขึ้นตามจันนั้นเหมือนกันเมื่อมหาสมุทนน้ลงก็ทําให้แม่น้ำใหญ่ลงตาม แม่น้ำใหญ่เมื่อลงก็ทำให้แม่น้ำน้อยลงตามแม่น้ำน้อยเมื่อลงก็ทำให้บึงใหญ่ลงตามบึงใหญ่เมื่อลงก็ทำให้บึงน้อยลงตามฉันใดอวิชชาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นตามสังขารทั้งหลายเมืมเ่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้วิญญาณไม่เกิดขึ้นตาม วิญญาณเมื in, oh e ่อไม่เก e ิดขึ t t e ้นก็ทำให้นามรูปไม่เก e ิดขึ án, ้นตามทำให้สลายตนะไม่เกิดขึ้นตามทำให้ผัสสะไม่เกิดขึ้นตามทำให้เวทนาไม่เกิดขึ้นตามทำให้ตัณหาอุปาทานพบชาติไม่เกิดขึ้นตามชาติเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชะรามรณะไม่เกิดขึ้นตามฉันนั้นเหมือนกัน สุสีมะบริพาช ก, กะสูตรว่าด้วยสุสีมะบริพาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูน่นาพระเวลุวันเขตกรุงราชครึบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชาประพฤติอ่อนน้อม ทรงได้รับจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัตบริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เช่นเดียวกันแต่พวกอัญญาเดรธีบริภาชกเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ประพฤติอ่อนน้อมไม่ได้รับจีวรบิณทบาทเสนาสนะและกีฬานปั จ, จัยเพสัตบริขารสมัยนั้น สุสิมะปริพาชคาพักอยู่ณกรุงราชครึกกับบริษัทปริพาชคจำนวนมากครั้งนั้นบริษัททั้งหลายของสุสิมะปริพาชคได้กล่าวกับสุสิมะปริพาชคดังนี้ว่ามาเถิดท่านสุสิมะท่านจงประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักพระสมณโคดมท่านเรียนธรรมะแล้วพึงบอกสอนพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าเรียนธรรมะนั้นแล้วจะบอกแก่พวกเขาฤ ห, หัตเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ส ก, การะเคารพจะได้รับจีวรบิณฑบาตเป็นต้นนั้นสุสิมะปริพพาช o รับคำบริสัทของตนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าท่านพระอานน์ ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์พาสุสีมาบริพาชกเข้าเป้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้สุสีมะบวชเถิดสุสีมาบริพพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากพากันอวดอ้างอารหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคประกาศตนว่าสำเร็จอรหันแล้วท่านสุสิมะได้ฟังมาว่าข่าวว่าภิกษุจำนวนมากอวดอ้างอารหัตผลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านทั้งหลายอวดอ้างอารหัตผล กล่าวว่าสำเร็จอรหันแล้วจริงหรือได้รับคำตอบว่าจริงท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ปรากฏหรือหายไปก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ท่านทั้งหลายทำเช่นนี้ได้บ้างหรือไม่ได้รับคาตอบว่า ทำเช่นนั้นไม่ได้ถามว่าท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้คือประกาศตนว่าสำเร็จอรหันท่านสามารถได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าทำไม่ได้ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะเป็นต้นนั้นท่านทั้งหลายกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนได้หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าทำไม่ได้ถามต่อว่าท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ยอมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ได้บ้างหรือไม่ตอบว่าทําไม่ได้ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ผู้ประกอบทุจริตหลังตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย แต่หมูสัตว์ที่ประกอบสุจริตมีความเห็นชอบหลังตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ท่านทั้งหลายเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดรู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้บ้างหรือไม่ตอบว่าทำไม่ได้ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมถูกต้องอรูปวิโมกอันสงบก้าวล่วงรูปทั้งหลายเสียได้ด้วยนามากายอยู่บ้างหรือไม่ ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุบัดนี้คําตอบนี้และการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านสุสิมะพวกผมหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาเมื่อได้รับคําตอบเช่นนี้จึงขอให้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวเนื้อความแห่งคําโดยย่อนั้นจาแนกโดยพิสดาร ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามแต่พวกผมก็หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาครั้งนั้นท่านสุสิมะลุกขึ้นจากอาสนะแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลคําที่สนทนากับภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสุสีมะ ธรรมะทิฏฐิยานคือวิปัสนาญาณเกิดก่อนนิพพานญาณคือมัรคญาณเกิดภายหลังท่านพระสุสีมากราบคุณขอให้ทรงแสดงโดยพิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุสีมาเธอจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามความจริงธรรมทิฏฐิยานเกิดก่อนนิพพานญาณเกิดภายหลัง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 ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าตรัสถามด้วยนัยยะเดียวกันถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราสุสีมะเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นไปภายนอกหรือภายในหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสุสีมะอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสุสีมาเธอเห็นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีหรือ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันตรัสถามว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตรณะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับ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 สังขารจึงดับสุสีมาเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้เป็นต้นนั้นเธอทำอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บ้างหรือไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมกําหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนบ้างหรือไม่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอย่างนี้ย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้บ้างหรือไม่ ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นหมูสัตว์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้บ้างหรือไม่กราบทูลตอบว่าทำไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมถูกต้องอรูปปวิโมกขันสงบก้าวล่วงรูปทั้งหลายจะได้ด้วยนามกาอยู่บ้างหรือไม่ ทูลตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าสุสีมะบัดนี้คำตอบนี้และการไม่เข้าถึงธรรมะเหล่านี้มีอยู่ในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ลำดับนั้นท่านพระสุสีมะได้มอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โทษได้ตกถึงข้าพระองค์เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาข้าพระองค์บวชขโมยธรรมะในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับโทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษเพื่อความสํารวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค้าสุสีมาโทษได้ตกถึงเธอเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา เธอบวชขโมยธรรมะในธรรมะวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้ประพฤติชั่วตอบพระองค์ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชารับสั่งราชบุรุษผู้นั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปเอาเชือกที่เหนียว มัดบุรุษนี้ไพ่หลังให้แน่นแล้วเอามีดโกนโกนศรีรษะแห่ประจานไปตามถนนตามทางสี่แยกลันโดยคลองและกลองนําออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณเกิดทิศใต้แล้วจงตัดศรีรษะทางด้านทิศทักษิณของตัวเมืองราชบุรุษทั้งหลายจึงทําตามรับสั่งนั้นของพระราชาโจรผู้นั้นจึงถูกประหารตัดศรีรษะ ทางด้านทิฏักสินของตูเมืองฉะนั้นเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบูรุษนั้นพึงเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะการกระทาความผิดนั้นบ้างหรือไม่กราบทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสุสีมะบูรุษนั้นต้องเสวยทุกข์และโทมนัสเพราะการกระทาความผิดนั้นนับแต่การบวชของเธอ ผูขโมยธรรมะในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ยังมีผลเป็นทุกข์และเผ็ดร้อนกว่าการเสวยทุกข์และโทมนัสนั้นทั้งยังเป็นไปเพื่อวินิบาตคือปราศจากความสุขแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแสดงคืนตามวิธีที่ถูกต้องเรารับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วแสดงคืนตามวิธีที่ถูกต้องผู้นั้นจะได้สำรวมต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะอันตระเปียละหมุดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อความละไว้ในระหว่างพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถี นาทีนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาราและมรณะตามความเป็นจริงพึงสแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ชาราและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงสแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความเกิดแห่งชาราและมรณะตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาศาสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง และโดยนัยยะเดียวกันบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาติตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นพบตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เห็นอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงพึงสแสวงหาสัสดาบุคคล เม e hey. ื่อไม่รู and and ้เห hmm. ็นความเกิดเมื่อไม่รู้เห็นความดับเมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงพึงแสวงหาสัสดาเพื่อรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริงและโดยในย่าเดียวกันบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงกระทาการศึกษาเพื่อรู้ชราและมรณะตามความเป็นจริงพึงกระทาความเพียรพึงกระทาความพอใจพึงกระทาความอุตสาหพึงกระทาความเพียรไม่ถอยกลับพึงกระทาความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทาความเพียรอย่างกล้าหาญพึงกระทาความเพียรติดต่อพึงตั้งสติพึงดารงสัมปัชญะ เพื่อรู้ความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเป็นต้นนั้นจนถึงสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงอภิสมัยยวักนักสิกขาสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาพทรงใช้ปลายพระนข า, าช้อนปุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือปุ่นเพียงเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้ก็ดีแผ่นดินใหญ่นี้ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากัน ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมีมากกว่าส่วนฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนัขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นนั้นไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งแสภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปมาก็ฉันนั้น ความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพัน ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักสุขมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้สําหรับข้อนี้คืออุปมาเปรียบการบรรลุเป็นพระอริยเบื้องต้นคือพระโสดาบันความทุกข์ที่สิ้นไปที่ผ่านไปนั้นมีมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลือที่จะได้รับในอนาคต คำว่าเจ็ดอัตภาพคือพระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นก็จะบรรลุอรหัตผลซึ่งในเจ็ดชาติที่เหลือนั้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมีปริมาณ น, น้อยมากเหมือนฝุ่นผงในปลายนิ้วเทียบกับภูเขาทั้งลูกซึ่งหากยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันนั้นจะต้องพบเจอความทุกข์อีกมากมายแสนสาหัสประมาทไม่ได้ ดังนั้นการบรรลุธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมนั้นจึงมีประโยชน์ยิ่งใหญ่กำจัดความทุกข์แสนสาหัสนั้นให้เบาบางและหมดไปได้ในที่สุดโปกขารณีสูตรว่าด้วยสระโอกขารณีพระผู้มีพระภาพประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระบกกรณียาวห้าสิบโยชนกว้างห้าสิบโยชนลึกห้าสิบโยชนมีน้ำเต็มเสมอขอบกาก้มดื่มกินได้บุรุษพึงใช้ปลายยะขาวิทน้ำขึ้นจากสระบกกรณีเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร น้ำที่บุรุษใช้ปลายยาคาวิทย์ขึ้นก็ดีน้ำเนสะโบกกรณีก็ดียังไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำเนสะบกกรณีนี่แหละมีมากกว่าส่วนน้ำที่บุรุษใช้ปลายยาคาวิทย์ขึ้นมีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสน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 ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตรัสรูธ้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้สำเพชอุทธกะสูตรว่าด้วยแม่น้ำไหลามาบรรจบกัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมหีไหลมาบรรจบ ก, กันบุรุษพึงวักน้ำสองหยดหรือสามหยดจากแม่น้ำเหล่านั้น น้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดก็ดีน้ำที่ไหลามาบรรจบกันก็ดียังไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าน้ำที่ไหลามาบรรจบกันนี่แหละมีมากกว่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั่นเหมือนกันการได้ธรรมจับสุขมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือคงคายามุนาอาจิรวดีสารภูไหลมาบรรจบ ก, กันน้ำนั้นพึงแห้งเหือดเหลืออยู่สองหรือสามหยดน้ำที่ไหลมาบรรจบ ก, กันที่เหือดแห้งไปก็ดีหรือน้ำสองหรือสามหยดที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่า น้ำที่ไหลมาบรรจบ ก, กันซึ่งเหือดแห้งไปนั้นมากกว่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นการได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ปฐวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มิประภาคประทับอยู่เกตกรุงสาวัตถี นาที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบูรุษวางก้อนดินเหนียวเท่ า, มาเมล็ดกระบาวเจ็ดก้อนไว้บนแผ่นดินใหญ่ก้อนดินเหนียวนั้นกับแผ่นดินใหญ่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าแผ่นดินใหญ่มีมากกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นดินใหญ่ พึงหมดสิ้นไปเหลือก้อนดินเหนียวเท่ า, มาเมล็ดกระบาวเจ็ดก้อนแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปก็ดีก้อนดินเหนียวเท่ า, มาเมล็ดกระบาวเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปนี่แหละมีมากกว่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นการได้ธรรมจากสุ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้สมุดทสูตรว่าด้วยสมุดพ ร, ระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงวักน้ำสองหรือสามหยดขึ้นจากมหาสมุทร น้ำที่บุดวักขึ้นสองหรือสามหยดก็ดีกับน้ำในมหาสมุทรนั้นอย่างไหนจะมากกว่ากันปราบทูนตอบว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละมีมากกว่าพิกสุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรพึงเหือดแห้งไปเหลือน้ำอยู่สองหรือสามหยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปก็ดี น้ำสองหรือสามหยดที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปนี่แหละมีมากกว่าภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้นการได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ปรัตตะสูตรว่าด้วยภูเขา พระผู้มิพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงวางก้อนดินเท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ดก้อนไว้บนภูเขาหิ ม, มพานก้อนหินนั้นกับขุนเขาหิ ม, มพรานอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าขุนเขาหิ ม, มพานนี่แหละมีมากกว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาหิ ม, มาพานที่ทลายกระจัดกระจายไปเหลือก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุน์ผักกาดอยู่เจ็ดก้อนขุนเขาหิ ม, มาพานที่ทลายกระจัดกระจายไปก็ดีก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าขุนเขาหิ ม, มาพานที่ทลายกระจัดกระจายไปนี่แหละมีมากกว่า ภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนไว้บนขุนเขาสินเนรุเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดี ขุนเขาสินเนรุก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าขุนเขาสินเนรุนี่แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้มีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับขุนเขาสินเนรุก้อนหินเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพัน ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเมื่อเทียบกับการบรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกข้อนี้หมายถึงการบรรลุปฐมมรรคโสดาปติมรรคหรือพระอริยะขั้นแรกการบรรลุคุณวิเศษของอัญญาดียรถีสมณพรามณ์และปริภาชกทั้งหลาย มีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีการบรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้จบอภิสมัยสังยุต